ท่านที่มีเทวดามาอารักขาท่านเล่าน่าฟังผู้เขียนรู้สึกเพลินไปกับท่านเวลานั้นท่านไปพักภาวนาอยู่กับพวกชาวไร่ซึ่งมีเพียงสองสามครอบครัวเ ว, 4, ว้นสี่ห้าวันท่านไปบิณฑบาตกับเขามาชันห น, หนึ่งแล้วก็หยุดไปเรื่อยๆแต่การภาวนารู้สึกดื่มดำคืบหน้าไม่มีถอยนั่งสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนส่วนผลที่ได้รับ คล้ายคลึงกันแต่เวลากลางวันย่รู้สึกร้อนบ้างผิดกับกลางคืนที่อากาศเย็นสบายจิตก็ลงได้สนิทเต็มฐานของสมาธิและลงได้ครั้งละหลายๆชั่วโมงกว่าจะถอนขึ้นมาท่านึกสงสารเทวดาจะต้อนรับเขาจึงถอนจิตออกมาดูบ้างตอนดึกๆึถ้าเห็นเขามาก็ต้อนรับเสียบ้าง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 มิได้เป็นอารมณ์กับความหิวโหวยอะไรเลยเพราะเพลินในธรรมะที่สัมผัสใจอยู่ตลอดเวลาอันเป็นโอชารสที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าอาหารอื่นใดส่วนเทวดาท่านว่าเวลากลางวันบางครั้งมองไปเห็นนั่งพับเพียบเรียบร้อยคอยดูแลท่านอยู่บนก้อนหินห่างกันประมาณเส้นสองเส้นบางครั้งกลางวันเงียบ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 ที่ควรรับแขกจำพวกกายทิพต้องขยับลงกว่านั้นบ้างบางครั้งรู้สึกกระดาษพิกลถึงกับต้องถามเทวดาว่านี่เทวดานิรมิตกายให้หยาบเหมือนกายมนุษย์หรือจึงมองเห็นได้ชัดเจนทั้งตาใจทั้งตาเนื้อเหมือนมองเห็นสิ่งต่างๆเทวดาบอกว่าเทวดาจะทำให้กายละเอียดก็ได้หยาบก็ได้ไม่ลาบากยากเย็ยนอะไรเลย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 จิตดวงที่เข้าสวมร่างนั้นร่างนี้อยู่ตลอดพบตลอดชาติไม่มีเวลาหยุดยั้งนั้นได้หมุนตัวไปอย่างไรทั้งที่บางรายก็ปฏิเสธว่าตายแล้วศูนการศูนย์กับความจริงที่ไม่ศูนย์และคานกันอยู่ในบุคคลคนเดียวนั้นฝ่ายไหนจะเป็นผู้ยอมรับผลแล้วรับความจริงที่เป็นของตายตัวนั้นนอกจากผู้ปฏิเสธกับผู้ยอมรับความจริงแล้ว ไม่มีผู้ใดจะเป็นผู้รับผลคือการเกิดตายต้องเป็นหน้าที่ของสัตว์โลกเป็นกันเองสุขและทุกข์ที่มีในระหว่างแห่งภพชาตินั้นๆก็เป็นหน้าที่ของผู้เกิดตายรับเองมิใช่คำปฏิเสธว่าตายศูนและตายเกิดเป็นผู้รับผลแทนพอจะมีแก่ใจปฏิเสธอย่างสบายโดยไม่คำนึงถึงความจริงว่าเป็นอย่างไรกันแน่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 เท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเช่นเดียวกับคนไข้หนักที่ไม่สนใจคิดเรื่องของตัวมากไปกว่าความสนใจคิดเรื่องห้องในโรงพยาบาลเรื่องยุกยาเรื่องหมอแล้วเรื่องนางพยาบาลว่าไม่ดีไม่ถูกใจตัวเองล้าบนแล้วร้องครวญครางยังไม่มีขอบเขตให้คนอื่นรำคาญด้วยทั้งที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยฉะนั้น ได้นำเรื่องพระที่มีเทวดามาเยี่ยมและเล่าถึงบุพเพนิว่าท่านให้ฟังผู้เขียนได้นำมาประกอบกับเรื่องตายเกิดและตายสูญพอเป็นเครื่องพิสูจน์แก่พวกเราที่ยังตกอยู่ในวงแห่งปัญหาทั้งสองนั้นจะควรพิสูจน์ตัวเองจบลงจากนี้จะเริ่มลำดับเรื่องต่อไป